ต่อไปนี้เอให้ทุกคนวาดตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามานดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดานให้ใจของข้าพระเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโทท ธ, โททธโทนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาิ ขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจเมื่อเรากำหนดจิตก็ให้ธรรมะที่อาตมาแสดงไปนั้นเข้าทางหูแล้วก็รู้ถึงใจเรากำหนดใจของเราไว้ที่ใจแล้วธรรมะ จะเข้าไปสู่ใจเองข้อสำคัญที่สุดคือการกำหนดจิตของเราให้ตั้งเทียงการตั้งเทียงของจิตเหมือนกันกับเราตั้งผาชนะการตั้งผาชนะเพื่อรองรับน้ำเวลาฝนตกลงมาผาชนะต้องตั้งเทียงถ้าผาชนะมันคว่ำหรือผาชนะมันตะแคง ก็ได้น้ำไม่เต็มที่หรือไม่ได้เลยใจของเราก็เปรียบประดุดจะาชนะที่จะได้รองรับเอาซึ่งธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าเข้าสู่ใจของเราธรรมะนั่นเป็นของกลางเพราะอะไรเพราะว่า การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงขัดติธรรมจารีเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษารักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว นี่เป็นคำแปลก็เป็นอันได้ใจความว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวของเราปฏิบัติตัวของเราก็คือรู ป, ปรธรรมและนามธรรมรู ป, ปรธรรมนั้นก็คือร่างกายนามธรรมนั้นก็คือใจเราปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายกับใจของเรา กายของเราก็ไม่ให้ไปทำความชั่วผิดศีลใจของเราก็ไม่ต้องไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนซึ่งกันและกันเหมือนกันกับไม้ที่จะสร้างบ้านขึ้นไม้สร้างบ้านขึ้นนั้น ก็จะต้องอาศัยไม้หลายแผ่นหลายอันเข้าแล้วก็มาคำ้ำมาจุนหมายความว่าต้องอาศัยหลายอันจึงจะสนับสนุนตั้งบ้านนี้ให้อยู่ได้การปฏิบัติในทางจิตหรือการปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันอาศัยหลายสิ่งหลายประการ ที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนเราสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งความเข้าใจในตัวเราของเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนให้จิตของเรานี้สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปความก้าวหน้าของจิตนั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามพัฒนาอยู่เสมอหมายความถึงว่าเราจะต้องพยายามกระทําคือกระทําให้มีความสม่ําเสมออยู่การกระทําที่มีความสม่ําเสมอนั้นเหมือนกันกับฝนน้ำฝนนั้นที่มันตกลงมาก็ทีละยดเล็กๆ แต่ว่ามันตกมาด้วยความสม่ำเสมอในที่สุดมันก็มีน้ำท่วมบ้านทั่วมเมืองได้เหมือนกันกับเราพากันปฏิบัติทมทางจิตเมื่อเราพยายามกระทำอยู่เสมอๆการที่จิตนี้จะก้าวหน้าต่อไปก็ก้าวไปได้ก้าวไปได้โดยความสะดวกและสบาย ถึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาการเทศท่านทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัติเป็นระยะเวลาอันล่วงเลยมาหรือเรียกว่าหลายวันหลายเดือนหลายปีมานี้ท่านทั้งหลายทุกคนต่างก็ได้รับผลในทางใจเพราะการได้รับผลในทางใจนั่นแหละจึงทำให้เกิดความปรารถนาและความต้องการ ที่จะให้มีมากยิ่งขึ้นจึงได้พากันมีศรัทธาต่อเนื่องได้มาบำเพ็ญและก็ทํากันปีแล้วปีเล่ามาตามลำดับผลที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าตัวเองอาจจะไม่อาจจะไม่รู้แต่ว่าผลก็ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นต้นไม้ที่มันกำลังจะงอกขึ้นนั้น เราจะไปนั่งดูมันงอกวันละสอกวันละคืบมันก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่านานๆเราไปดูทีหนึ่งมันก็จะงอกออกมาเป็นแขนเป็นวาการพัฒนาจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เมื่อขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว พอกว่าที่เราจะรู้ว่ามันขยับขึ้นมาแล้วนี่มันก็ขึ้นมาอักโข อ, อย่างที่คนในอดีตที่เขาพากันทำสมาธิกันมาแล้วก็มามีนิสัยวาสนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้ก็เพราะเขาได้กระทำมาต่อเนื่องคือเขาทำมาเรื่อยๆมา เมื่อเขาทำเรื่อยๆมาแล้วเมื่อเขาตายไปเขากลับมาเกิดชาติใหม่อีกแล้วเขาก็ได้มาทำอีกอย่างนี้แล้วการก้าวหน้าของจิตของเขามันก็เกิดความรวดเร็วขึ้นเพราะว่าปัจจัยอันเก่ามีอยู่แล้วเหมือนกับเราที่ได้พากันทำมาตั้งแต่เมื่อปีเมื่อสิบปีก่อนโ น, อน้นเราก็ได้ทำ ล่วงเลยมาถึงสิบปีมาถึงปัจจุบันเราก็ได้ทำอีกในสิบปีก่อนโน้นก็เรียกว่าเป็นอดีตมาในปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีปัจจุบันจะมาแน่ใจว่าผู้ที่ได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ย่อมได้รับผลคือมีผลที่เกิดขึ้นกับ เ, เขาเหล่านั้นทุกคนทุกคน แต่จะมากจะน้อยนั้นก็แตกต่างกันถึงจะแตกต่างกันก็แตกต่างกันไม่มากนักเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราเกิดทำเป็นการต่อเนื่องจึงไม่มีการเสียผลแต่อย่างใดมีแต่ความดีมีแต่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ประกอบพร้อมเรีย ก, กว่ามากยิ่งขึ้นตามลำดับ จิตที่ได้รับการฝึกฝนแล้วนั้นมีลักษณะอยู่อย่างหนึง่งคือลักษณะต้องการที่จะทำความต้องการที่จะทำความอยากที่จะทำแล้วก็ได้กระทานั้นเรียกว่าเป็นศรัทธาหรือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้รับผลมาแล้วสั ญ, ญลักษณ์อันนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้น เป็นผู้ที่ทำสมาธิได้รับผลมาแล้วมิฉนั้นจะไม่ก่อความกระตือรือร้อนให้เกิดขึ้นในจิตได้เลยแต่ความกระตือรือร้อนหรือความอยากที่จะทำอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าผู้นั้นได้รับผลมาแล้วเหมือนกันกับผู้ที่ทำมาค้าขายได้กำไร เมื่อค้าขายสิ่งนี้ได้กําไรเขาจะหยุดยั้งอยู่ไม่ได้เขาอยากจะได้กําไรต่อไปอีกแล้วก็เขาก็รู้จักรูดทางที่จะได้กําไรด้วยเขาก็ย่อมจะต้องทําทั้งกลางวานันกลางคืนไม่ให้เวลามันว่างเว้นเพื่อที่จะหาเงินหากําไรมาให้ได้มากๆเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความกระตือรือร้นหรือความตั้งใจ หรือความปรารถนาที่อยากจะทำสมาธินั้นมีอยู่ในใจนั่นหมายถึงว่าเขาได้กำไรเคยได้ความดีในทางสมาธิมาพอสมควรแล้วเรื่องของสมาธินั้นก็แบ่งออกเป็นสามตอนด้วยกันคือตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมาธิขั้นต่ำ Ham, หรือเรียกว่าคณิกาสมาธิตอนที่สองเรียกว่าสมาธิขั้นกลางหรือเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนที่สามเรียกว่าสมาธิขั้นสูงหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิการก่อตัวของจิตที่สงบแล้วสงบแล้วมาเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกาสมาธินั้น ท่านเปรียบเหมือนกันกับเด็กอ่อนที่ยังต้องอาศัยบิ ด, ดามารดาคอยประคับประครองทาให้ประคับประครองเมื่อใดก็ล้มเมื่อนั้นเด็กอ่อนเราก็คงจะเคยรู้กันแล้วว่าเด็กอ่อนนั้นเป็นยังไงเพียงแต่วางมันก็ล้มแล้วถ้ามันตั้งไข่ก็ยังไม่ได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยพยุงจะอากินก็ต้องป้อน จะอาบน้าก็ต้องอาบให้จะเอาไปไหนก็ต้องอุ้มจะหัดเดินก็ต้องจับไว้นี่เป็นลักษณะของเด็กอ่อนท่านจึงเปรียบด้วยคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั้นบุคคลต้องคอยประคับประคองบุคคลต้องคอยดูแลบุคคลต้องคอยที่จะจดจ่อเอาไว้มิฉะนั้นก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันที แล้วก็จะต้องบริกรรมบริกรรมแล้วก็บริกรรมอีกบริกรรมไปบางทีสงบประเดี๋ยวเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วคิดอย่างอื่นอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องของคณิกาสมาธิแต่ว่าคณิกาสมาธินั่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ประโยชน์นั่นก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่จะโตขึ้นทันทีจะไม่ได้ต้องเป็นผู้เท่ เป็นมาตั้งแต่เด็กเธอต้องเป็นเด็กมาก่อนจะโตก่อนโตก่อนเกิดมันไม่ได้ขณิกาสมาธินี่แหละที่จะเป็นฐานต่อไปให้เป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางแต่ที่อธิบายนี้ก็ต้องการอยากจะให้รู้ว่าขณิการสมาธิมันมีลักษณะเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ว่าต้องประครับประครอง อันเป็นอย่างที่ว่าต้องบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเจะว่าพุทโธหรือเจะว่าสัมมาอาราหังหรือจะว่าอาัตถิหรือจ้ว่าอะไรก็สุดแล้วแต่จะบริกรรมไปเมื่อบริกรรมไปจิตมันก็ตั้งเที่ยงได้ถ้าหยุดบริกรรมเมื่อไหร่มัมนก็ล้มนั่นแหละคือคณนิกะสมาธิและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาที่ทำก็ต้องคอยที่จะระมัดระวัง กลัวเสียงนั้นจะมากระทบกลัวอันนี้จะมากระทบกลัวอันนั้นจะมาข้องแวะอะไรต่างๆก็หวาดระแวงไปอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ว่าคณิกะสมาธินั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้การกระทําให้มากเพื่อที่จะได้โตขึ้นมาตามลําดับแต่ถ้าหากว่า มันยังไม่โตเราก็ต้องพยายามทําต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะโลภเมื่อเราทําสมาธิก็ก้าวข้ามไปหาอุปจระเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าคณิกะสมาธินั้นเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่จะต้องประคับประคองมันต่อมันตลอดไปแต่เด็กอ่อนนั้น เมื่อมันได้อาหารมันได้การเลี้ยงดูที่ถูกต้องเด็กอ่อนนั้นก็จะต้องกลายเป็นเด็กแก่ออกจากเด็กแก่ก็กลายเป็นเด็กที่เดินได้แล้วเมื่อเดินได้ก็ถือว่าช่วยตัวเองเริ่มที่จะช่วยตัวเองได้แล้วอันนี้ถ้ามาเปรียบกับสมาธิก็คืออุปจารสมาธิขั้นตน้นอุปจารสมาธิขั้นต้นนั้น ก็คือการทดสอบทดสอบว่าเราไม่ต้องบริกรรมคำใดทั้งหมดเรากำหนดจิตอยู่เฉยๆเรากำหนดจิตอยู่ได้หรือไม่หากําหนดจิตอยู่เฉยๆกำหนดได้ก็ถือว่าเป็นเด็กแก่หรือเรียกว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ถึงว่าจะให้พ่อแม่ดูแลก็ส่วนอื่น แต่ร่างกายที่จะเดินไปรับประทานเองหรือว่าทำงานต่างๆก็เริ่มทำได้เมื่อจิตนั้นเป็นอุปจารสมาธิก็เริ่มทำงานคือเริ่มทำงานในด้านวิปัสนาพิจารณาถึงกายการพิจารณากายนั้นองสมเด็จเทวสัมมาสัมพุทเธเจ้าได้ซองตรัสถึงสมหาสติปฐาน มหาสติปัฏฐานสี่นั่นคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานแต่ขึ้นต้นนี้ก็ให้ตั้งสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งก็คือการตั้งจิตนี้พิจารณาดูกายอันนี้ก็เรีย ก, กว่าเริ่มทำงาน เมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นหรือบางทีมันก็เห็นบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ถ้าเห็นถือว่ามีพลังจิตพลังจิตนั้นเกิดขึ้นจากความสงบที่เป็นอุปจระสมาธิแล้วพลังจิตนี้จะเกิดขึ้นพลังจิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากจิต จิตนั่นจะได้มีการรวมตัวคือหรือเรียกว่ารวมพลังขึ้นแต่ละครั้งละครั้งที่คนนั่งสมาที่พวกเรานั่งสมาธินั้นพลังจิตนี้จะสะสมในตัวของมันเองคือสะสมเรื่อยไปสะสมไปสะสมไปจนกระทั่งมันเกิดกระแสหรือเรียกว่าเกิดพลังเหมือนกันกันกบเด็กเมื่อยังเด็กเล็กอยู่นั่น มันไม่แข็งแรงจะจับอะไรจะยกอะไรจะทำอะไรมันก็ไม่ได้แต่พอมาเป็นเด็กแก่หรือเนียกว่าเด็กจะมีอายุมากขึ้นมันทำได้เพราะว่ากำลังมันมีขึ้นกำลังของคนที่มีขึ้นนั้นเพราะได้รับการบารุงเลี้ยงร่างกายนี้ให้เติบใหญ่ขึ้นเหมือนกันกับการที่เราบําเพ็ญจิตเมื่อบําเพ็ญจิตแล้วเกิด พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจับบางทีเราหลับตาไปมองดูร่างกายเกิดเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีกำลังจิตเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าเรามีอุปจารสมาธิการเห็นนั้นไม่ใช่เหมือนกับลืมตาเห็น <c oughs> หรือว่าไม่ใช่เหมือนกันกับ เราไปจับเอาอะไรเอามามองหรือว่ามาทำดูอย่างนี้แต่ว่าเป็นความเห็นชัดการเห็นภายในจิตนั่นมันไม่เหมือนเห็นภายนอกเห็นภายในจิตนั่นมันก็สว่างแบบจิตการสว่างแบบจิตนั่นก็คือมองเห็นชัดลงไปอย่างที่ตาธรรมดาเรามองอย่างนี้มองดูกายก็เห็นหนังเลยหนังไปเราก็มองไม่เห็น แต่ว่าส่วนใจที่เห็นเห็นนั้นมองทะลุจากหนังไปถึงเนื้อมองทะลุจากเนื้อไปถึงกระดูกอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือเรียกเปรียบก็เหมือนกันก็ว่าเด็กหนุ่มเด็กจากเด็กแก่ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเด็กที่หรือว่ากลายเป็นคนหนุ่มที่เริ่มจะมีกำลังอุปจารสมาธิที่ได้บังเกิดผล และมีความสงบมีความสบายความสความสบายนั้นเป็นผลเหมือนกันกันกบคนที่รับประทานอาหารเมื่อเวลาอิ่มแล้วมันก็เกิดความสุขสบายแต่ความต้องการนั้นเราต้องการความอิ่มเท่านั้นเองมันมีกำลังแต่ความสบายความสบายใจนั้นมันก็เป็นผลเกิดขึ้นจากความอิ่ม ข้อนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกันกบอุปจระสมาธิที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาแล้วก็เกิดความอิ่มใจความอิ่มใจหรือเรียกว่าความสุขใจนั้น เ, เกิดขึ้นมาจากผลพวงของสมาธิที่ได้พิจารณาเห็นกายความอิ่มใจหรือ ว, ว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตอันนี้มันเป็นส่วนเรียกว่า เป็นส่วนสนับสนุนเป็นส่วนที่ให้กำลังเหมือนกันกับเรามีความหิวหิวแล้วมันก็เกิดความไม่สบายนั่นหมายความว่าไม่ดีส่วนผู้ที่มีความอิ่มนั้นมันเกิดความสบายนี่ถือว่ามันเป็นความดีเหมือนกับจิตที่มันสงบเหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิ ก็เกิดความสุขสบายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผลของสมาธิให้เกิดความสุขสบายและความสุขสบายเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของเราเกิดความกระตือรือร้นเกิดความมีความต้องการที่จะทำให้มันยิ่งขึ้นไป แต่ว่าการทำจิตนั้นนอกเหนือจากสมถะกรรมฐานที่เรียกว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแล้วจากนั้นก็จะต้องให้เป็นวิปัสนาวิปัสนานั้นเพสการรู้แจ้งและเห็นจริงการพิจารณาตามความเป็นจริงการพิจารณาตามความเป็นจริงนั้น จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้มันเป็นธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมเราจะแยกยังไงมันถึงจะออกมาเป็นส่วนๆได้ส่วนใดเป็นดินส่วนใดเป็นน้ำส่วนใดเป็นลมส่วนใดเป็นไฟแท้ที่จริงแล้วร่างกายของคนเหล่านี้เป็นธาตุสีอันดินน้ำไฟลมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อย่างใด น, นี่คืออุบายวิธีของวิปัสสนาเพื่อที่จะให้ถอนอุปทานคือคนเราทุกวันนี้ที่มีกิเลสและมีสิ่งผัวพันเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นมาจากอุปทานอุปทานนี้ไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน เพราะฉะนั้นเวลาที่พิจารณาวิปัสนานี่จะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่อย่างนี้เพื่อที่จะถอนอุปทานไม่ให้อุปทานนี้มันมีอีกต่อไปอย่างนี้จิตทิ้งจะเรียกว่าเป็นวิปัสนาวิปัสนานั้นคือการพิจารณาเพื่อที่จะให้ถอน หมายความว่าถอนอุปทานจิต ท, ที่ได้รับการถอนอุปทานแล้วนั้นหมายถึงจิตบริสุทธิ์ในจิตบริสุทธิ์ท่านแสดงไว้ว่าความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันมีศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิ ปฏิปทายานทัศนาวิวสุทธิจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิตก็หมายถึงว่าการตัดอุปทานออกไปการเรียกว่า เ, เป็นจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิก็คือการรักษาศีลไม่ให้ขาดมีความบริสุทธิ์ในการรักษาศีลศีล น, นี้ก็จะ ส่อัใสตลอดไปกังหาวิตรณะวิสุทธิคือความวิสุทธิโดยการที่ปราศจากข้อสงสัยทางตวงเป็นอันว่าข้อสงสัยไม่มีไม่มีในจิตว่าการกระทําที่เรากระทาอยู่ในเวลานี้เป็นการกระทําผิดหรือเรียกว่าเป็นการกระทําถูกนี่เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิยานะวิสุทธิได้แก่ความอย่างรู้คือเรารู้เวลาที่จิตนี้มันสงบเวลาจิตเกิดนิพพิทายานความเบื่อนหน่ายเวลาจิตนี้พิจารณาเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นธาตุไม่ใช่เป็นสิ่งที่ คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนแต่อย่างใดการพิจารณาเห็นและความเชื่อความเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นญาณวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธินั้นนอกเหนือที่จากจากที่รู้แล้วยังมีดวงตาทิปรู้แจ้งเห็นจริงอีกด้วยจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัศนนาวิสุทธิเมื่อเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นหนทางไปถึงสึ่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเช่นนี้แล้วเราก็ต้องจับเอาหนทางนี้ไว้ให้ได้แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินทางต่อไปเพราะการที่เราจับหรือเราดำเนินจิตมาถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ถูกต้องแล้ว เมื่อถูกต้องแล้วอย่างนี้เราก็จำเป็นที่เราจะต้องเดินไปอีกอย่างเราจะเดินไปจังหวัดเชียงใหม่เราขึ้นต้นหนทางถูกต้องแล้วเริ่มไปตั้งแต่ต้นหนทางแต่ว่าหนทางยังเหลืออีกตั้งเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตรจะเรียกว่าอีกไกลแต่ถึงยังไงมันก็ต้องถึงเนี่ในเมื่อเราเข้าทางถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเรามามีปฏิปทายานทัศนาวิสุทธถึงซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องเดินทางอย่างนี้และต่อไปอีกเดินทางต่อไปมันก็ต้องเข้าไปถึงจุดคือเรียกว่าถึงอย่างเช่นทีเราได้หนทางจะไปเชียงใหม่แล้วเราก็เดินมันตามพุทธภูมนังในที่สุดมันก็ถึงได้วันหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะไปเชียงใหม่แต่เรากลับเดินไปเข้าถนนทางไปจันทบุรีแล้วทีนี้ยิ่งไปเทลายมันก็ยิ่งไกลนั่นเรียกว่าผิดทางปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั่นเป็นขนทางที่ถูกต้องคือเป็นทางที่ถูกต้องและทางนี้ ที่เป็นทางที่ถูกต้องนี่คือได้พิจารณาเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นธาตุสดินน้ำไฟล ม, ลมเห็นจริงแจ้งประจักษ์การที่จะเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นดินน้ำไฟลมนั้นก็ต่อเมื่อได้พิจารณาจิตนี้มีญาณพิจารณาเห็นจริงลงไปในภายในกิตตากภายในจึงจะเห็นว่า เป็นเพียงาธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมได้แต่ในเมื่อบุคคลผู้นั้นยังไม่เห็นถึงแม้เขาจะเดินมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแต่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เพียงคิดย่อไม่สำเร็จไม่ใช่ญาณญาณ น, นั่นไม่ใช่เป็นความคิดเอาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราพากันประสบพบเห็นหนทางหรือเรียกว่ารู้ทางถึงเรายังไม่ไปถึงแต่เราก็เข้าทางได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถูกต้องในชีวิตนี้ที่เราได้มาพบาะหนทางอันนี้ ภาเวต บ, บันติเมพิกะเวดูก่อนพิกสุทั้งหลายมักควรเจริญมากคือเจริญให้มากการเจริญให้มากนั่นคือการเจริญไม่หยุดยัง้งทำแล้วก็ทำอีกเรียกว่าทำอย่างไม่หยุดยัง้งจึงเรียกว่าภาวิโตการเจริญให้มากพาบรีกรโตการกระทำให้มากอภิ ญ, ญายญะ ย่อมจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสำพอทายะย่อมจะไปเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะย่อมจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทต่ อ, ตอนนี้ไปก็ทำสมาธิกันต่อไป